หาบงเอิญสายตาเธอจะผ่านมาที่ฉันและเธอหนึ่งบังเอิญสงใจหาบางที่สายตาเธอเจอสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คงเพราะว่าใจเราตรงกันแต่บังเอไม่มีทาง เป็นอย่างที่คิดไวเอเราไม่มีทางจะรักกันและไม่มีเรื่องบังเอิจะเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะฉันคิดฝันไปคนดียวอยู่กับความยัง้งก่อยเกินความ อยู่กับความหวังที่มันยังไม่หายไปอยู่กับความรั้งที่มันบังเอิญไม่เป็นใจเพราะไม่มีทาจะมีเธอแต่มันคงเพราะความจริงมันตายจากที่ฝัน แต่เธอนั้นไม่เคยจะซ้ำใจแต่บางที่หัวใจเธอจะเก็บความฝันไว้เก็บมันไว้ให้เธอเพียงคนเดียว อยู่กับความยังกอดกับความฝันอยู่กับความห ว, วังที่มันยังไม่หายไปมีกับความรั้ที่มันเนินไม่ตั้งใจเพราะไม่มีเาอจนไมมีเธอมีเพียงความ มีเธอเท่านั้นที่มันยังกาดให้ไปมีเพียงความรักเธอเธอเพงเดินไม่มีใจฉันไม่มีทางจะมีเธอแต่ฝันว่าสักวันจะมีเธอ